ทำดีเอาไว้เถอะแบบทำดีไว้แล้วดีมันช่วยเราเองธรรมโมหะเวรักษติธรรมชาวิธสัมมะย่อมรักษาผู้ประพฤติ